ว่าขัานเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจริงๆมีพยานลึกซึ้งในใจคนงงเงาสายตายสันเหมือนพวกเราสั่นเห็นโดยพระไทยบริสุทธิ์ขันเอนดูเมตตาสรรโลกจึงวางศาสนาเอาไว้ผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติใจว่าจาใจของตัวตามธรรมที่พระพุทธเจ้า แน่สอนจึงมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความเป็นสุขสิ่งที่ชั่วทั่วไปที่ท่านบอกเอาไว้ไม่ไว่าจะทำโดยกายพูดโดวยวาจาหรือคิดด้วยใจย่อมละย่อมปล่อยย่อมวางด้วยปัญญาของตัวว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นเสีย เห็นไปจักชัดเจนในจิตในใจไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนคำสอนของพุทธเจ้าสิ่งใดที่ขันแนรสอนให้บําเพ็ญสิ่งนั้นถึงจะฝ่าฝืนจิตใจของชนก็พยายามบังคับในจิตใจคิดนึก ให้าจาพูดให้กายทำในสิ่งนั้นเมื่อทำไปจะเห็นอนิสงค์คือความสุขความสบายเกิดขึ้นในจิตในใจของตนไม่ได้ตำหนิว่าตนทำไมไปทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ไม่ได้ตาหนิตัวของตัวเองเพะเราทำเราพูดเราคิดไปในทางที่ ถูกที่ควรสี่พระพุทได้เจา้าแน่สอนไหวแล้วปลาดทั่วไปจะไม่มีใครกล้ามินทาติเทียนเพราะเราทำถูกแต่คนชั่วทั่วไปนั้นเอาแน่นอนไม่ได้มันอาจตำหนิมินทาก็าเป็นได้แต่ต้องตรวจตาคนที่มีปัญญามีธรรมะในตัว ไม่ตื่นเต้นในรูปในเสียงต่างๆเพราะท่านมีปัญญาตาเห็นรูปก่อพิจารณารูปถ้ามันยินดีเกิดความอยากได้ราคาตัณหาท่านก่อพิจณาไถลึกเข้าไปสรูปอันนี้มันมีมา ก, ก่อนแต่เรายังไม่พบไม่เห็นมันก็มีมาแล้วรูปอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร มันตั้งอยู่ด้วยอะไรแล้วมันจะไปอย่างไรทางหน้ามันจะต้องสืบสอบทีนี้พิ่เจณาใส่เห็นจริงสรูปอันนี้เป็นก้อนทุกข์ก้อนอ น, นิจจังเป็นก้อนอรุยภะอริยังไม่ใส่ของส่ควรชอบไม่ควรไม่ใส่ของสิควรยินดีเป็นก้อนของทุกข์ตัวของเราเป็นอย่างไรรูปที่เราเห็นเข้า เขาก่อจะเป็นอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปโรกภัยจะกาะอาศัยเพราะเป็นที่อยู่ที่พักของโลกภัยเดี๋ยวรูปนั้นเป็นของปัจิกูไม่เจ็บของสวยสดงดงามถ้าเรามองดูด้วยตาเมืเ่อที่เจอนาะเอา สมมุตินิยมของโลกเขาว่ามันก็ถือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ทายพิจารณากันจริงจังมีอะไรเล่าในรูปนันนั้นไม่ว่ารูปผู้หญิงไม่ว่ารูปผู้ชายมันเหมือนกันตกออกมาจากรูปไหลออกมาจากรูปมีอะไรเป็นของที่มีคุณค่าสาระให้ออกถาวรใดก็เป็นของเน่าคลองเหม็นเป็นของปฏิกูลทั้งนั้น สิิง่เกี่ยวข้องที่รูปไปพักคาอาศัยจะต้องไหนซําระสาสางอยู่เรื่อยไปเสือผ่าที่นัง่งที่นอนมันสกรปรกเพรารูปมันสกรปรกมันไหลออกไปรั่วออกไปสิดอะไรก็อเน่าก่อเหม็นแล้วทำไมเราจึงไปรักไข่ทำไมจึงเราจึงไปชอบใจของปฏิกูลอย่างนั้นนี่คือผู้มีอัด ทำเจตนาสอนใจค้องตัวม่ให้ติตคล่องเสียงก็เหมือนกันเขาสันละเสริญเยินยอว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ตรวจตาพิจรณาใจข้องตัวว่ามันถูกตามคำเขาสันละเสริญหรือไม่ถ้าหากมันไม่ถูกก็ไม่ควรที่จะตื่นเต้นไม่ควรที่จะดีใจเขาตำหนินินทาก็าเหมือนกันมันชั่วมันเสียไปหรือไม่ถ้าหากมันไม่ ชั่วไม่เสียตามทำสิเขาพูดเราก็จะไม่เสียใจทำไมนี่คือพูดมีอาจมีทำมีความสงบมีความสุขทางใจเพราะปากคนทานนั้นมันสามารถสรรเสริญได้ถ้าช่างสิของนั้นเน่าเหม็นท้าช่างสิของนั้นเป็นโทษมันก็สรรเสริญได้ถึงของนั้น จะดีมีคุณค่าขนาดไหนจะไม่มีอะไรเสียหายมันกว่านินทาได้อีกเหมือนกันฝากฟงคน จ, งจึงเอาจึงเอาช้งเอาแหนี่ยเอานอนไม่ได้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยจิตเป็นธรรมะจิตของเราจะไม่ตื่นเต้นจะมีความสงบเย็นตลอดเวลาเพราะคำสรรเสริญ น, นินทานั้นเป็นโล ก, กะธรรม คนเกิดมาในโลกจะต้องโดนไม้ว่าตแต่งแานเราพระพุทธเจ้า ก, ก็ยังโด น, นท่านจิ๋วันนัทชิโลเก อ, อันันทิตตกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะต้องถูกนินทาถึงดีวิเศษขนาดไหนอย่างเราจะท้าเขเขาก็ยังนินทาได้ทั้งทั้งสิบพระองค์ไม่เคยทรงทาสิ่งที่ชั่วพูดสิ่งที่ชั่วคิดสิ่งที่ชั่วอะไร ทำอะไรไปเพื่อสางโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่คนทานมันก็ยังนำไปนินทาสีเทียนได้เราทั่วไปก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นทุกคนต้องหมั่น ทีนี้พิจารณาดูจิตใจของตนฝึกฝนชำระภายในให้ใจสะอาดให้ใจมีธรรมถ้าใจสะอาดใจมีธรรมแล้วเรื่องต่างๆภายนอกไม่ต้องบอกให้มันละมันถอนมันปล่อยมันวางทิ่ใดมันชั่วมันจะไม่ยอมรับไม่ยอมจับไม่ยอมแตะต้องเพราะมันชั่วมันทราบในจิตในใจแล้วมันจะไป ทำไปพูดไปคิดทำไมเพราะเราไม่ต้องการความชั่วสิ่งใดมันดีสิ่งนั้นมันจะต้องยึดต้องถือเอาไว้ต้องรักษาเอาไว้นี่คือใจที่มีอาจมีทำสายใจไม่มีอาจมีทรมันจะคุกไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามารักษามาภาวานามาช <c oughs> ำระใจก็ให้รักษาภายในของตัว ดูจิตใจของตัวอย่าไปดูข้างนอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่นี้ความดีความชั่วมันมีอยู่ในใจไม่ได้มีอยู่ที่ไหนเราไม่รักษาใจแต่กบุนใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจสกรปรกใจคิดใจรวงใจยุ่งใจเกี่ยวสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะเราไม่รักษาถ้าเห็นว่าจิตใจของเรามีคุณค่า เราก็ต้องรักษาถ้าเห็นว่าจิตใจของเราไม่มีคุณค่าอะไรจะปล่อยมันไปตามเรื่องอารมณ์สัญญาหมแล้วแต่แต่อย่าบ่นว่ามันทุกข์มันยุ่มันลาบากลาคาดมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้บน่นคนที่ไม่มีอาจมีทามันจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาคนมีอาจมีทำทันทจริงสุข จึงสบายอยู่ในโลกเหมือนกันเกิดตายเหมือนกันแต่ท่านมีความสุขภายในเพราะใจของท่านรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงตามสัจธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงแนีสอนเอาไว้นี่พวกเราท่านมองข้ามบนแต่ทุกแต่ยากแต่ลำบากลำคาญแต่ไม่เคยรักษาไม่เคยปฏิบัติใจของตัวเราจะให้มันสุกมันสงบมาจากที่ไหน สองรักษาใจนี่เรามาบวชเป็นชาเป็นเนนก็ดีมาประพฤติปฏิบัติชั่วระยะเวลาสั้นๆก็ดีก็เพื่อหาความสงบของจิตของใจความสุขของจิตของใจแต่อย่าไปหาที่ใหม่ที่อื่นให้หาอยู่ในจิตในใจของตัวจึงจะเห็นเพราะชั่วดีมันมีอยู่นี้กิเลสมันมีอยู่นี้ ไปชำระที่อื่นมันำํ <c oughs> ำระําระไม่ออกไปบําเพ็ญที่อื่นมันบําเพ็ญไม่ขึ้นต้องบําเพ็ญในจิตในใจของตัวการภาวนาการรักษาจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่มุ่งความสุขความสงบจะต้องกระทำบำทําเพ็ญไม่ใช่ว่า ศาสนาล่วงไประยะยาวนานมรรคผลนิพพานจะหมดไปกิเลสตัณหายังอยู่เมื่ อ, อไรเมื่อเราชำระกิเลสตัณหาไปได้เราจะไปสบความสงบความสุขความหลุดพ้นจากกิเลสเมื่อนั้นไม่มีใครที่จะช่วยเราได้พระพุทธเจ้าก็เพียงแต่เป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น คนเดินคือเราพระพุทธเ จ, จ้าเป็นแม่ทัวัวปรุงอาหารพระพุทธเ จ, จ้าเป็นหมอที่ทำยาขึ้นไว้เพื่อจะใส่คนไข้คนเจีโรได้ไปรับทานเพื่อแก้ไขให้โรคภัยที่เบียดเบียนกายใจให้หายถ้าหากคนไข้ไม่สนใจกับยาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะหายป่วย ธรรมะกับธรรนองเดียวกันอย่างนั้นพวกเราท่านอย่าไปมองข้ามธรรมะอย่าไปตำหนิไปน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาเรามีโอกาสมีวาสนาจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีวาสนาพอที่จะบำเพ็ญ ภาวานาไดา้คนมันมีวาสนาเขาตายไปแล้วเรายังมีวาสนาเรายังแกะละจะบําเพ็ญได้อยู่สิ่งที่มันชั่วที่พระพุทธเจ้าบอกให้สํำลักใ้ต่างหน้าต่างตาสำลักไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้บําเพ็ญให้ตั้งใจบําเพ็ญจิตใจจะเย็นจะสงบจะสุขจะสบายถ้าเราทํา ตามโอวาิคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนก็จะเห็นผลคือความสงบสุขแต่นั้นพวกเราท่านที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างคนต่างมุ่งมั่นมาปฏิบัติเสือความสุขความเจริญของใจการงานด้านอื่นก็ไม่มีอะไร ที่จะมายุ่งเกี่ยวมีแต่หน้าที่จะดูแลรักษาจิตของตัวรีบเร่งกำหนดลงไปให้ใจสงบหายใจเห็นหายใจเป็นอัจเป็นธรรมเมื่อเราเห็นเราเป็นความเยือกเย็นของจิตของใจนั้นก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกให้ หรือให้คะแนนเราจะทราบจากการกระทำจากการเห็นการเป็นของตัวเองนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติในใ่คนอื่นจะไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจา้าท่านไม่ได้คิดมูลค่าอะไรที่มาเนี่ยสอนสัต์โลกผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นเห็นรู้ในอนัตในธรรมแล้วก็ไม่มีทาง จะสงสัยฝ่ามักฝนยิบพานหมดไปตามลมปากของคนพานหรือไม่หรือยังคงเจ็นคงวาอยู่เราจะรู้จะเข้าใจคนอื่นเขาไม่เลื่อมใสเขาไม่ปฏิบัติเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวขอให้เราจะเพื่อปฏิบัติจิตใจของเราคนไปจากทุกโทษที่ไม่ปรานะรถนาเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เราส ง, งบคนเดียวโลกส ง, งบเราพ้นคนเดียวก็เป็นพอเอาตัวรอดเป็นยอดดีให้ต่างหน้าต่างตาที่นี่ที่ใจนาศึกษาต่างหน้าต่างตาประพืะตอปฏิบัติความสุขความเจริญคองจิตค่องใจนั้นพวกเราท่านมีสิตที่จะเห็นจะเป็นด้วยกันทุกคนฉะนั้น การมาพับวัดวาปฏิบัติกายวาายใจขอทุกคนจงต่างหน้าต่างตาที่นิจที่ใจณาชำระจริงจังความสุขความเจริญที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นการอธิบายสธรมะเห็นว่าพอสมควรเฉยเวลาพอจะติดเพียงแค่นี้